สวัสดีแกทตตนผู้ฟังที่เคารพค่ะนี่คือรายการสนทนาปัญหาธรรมะซึ่งวันนี้ดิฉันขอรัตนาพระคุณเจ้าละประปลัดสมทบปากะโมวัดกลางบางประมามาเป็นองค์สนทนานมัสการพระคุณเจ้าค่ ะ, ขะเขาเจริญพร เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้สนทนากันถึงหัวข้อเรื่องของบุญในเรื่องของทานแล้วก็เริ่มต้นในเรื่องของศีลมาระดับหนึ่งแล้วนะคะทีนี้ก็อยากจะสนทนากันต่อว่าในเรื่องถึงศีลนั้นออมีความสำคัญจำเป็นอย่างไรต่อพุทธศาสนิกชนแล้วก็ศีลมีกี่อย่างและพุทธศาสนิกชนควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ่ะ เกี่ยวกัเรื่องของคําว่าศีลนะั้นเป็นธรรมชาติที่ทําให้กายกรรมวจีกรรมนั้นตั้งไว้ด้วยดีที่มาจากคาว่าไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายนั่นเองฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมที่จะตั้งไว้ด้วยดีได้นั้นธรรมชาตินั้นจึงเป็นชื่อว่าศีลศีล น, นั้นมีหลายลักษณะลักษณะบางอย่างเป็นลักษณะของเจตนาเจตนาเจตสิกที่ทําให้มีการเคลื่อนไหว กายเคลื่อนไหววาจาในสิ่งที่ดีเพื่อไม่ให้อะไรเพื่อไม่ให้อกุศลเกิด <God. S 1> ฉะนั้นเจตนาที่เกี่ยวกับทานเท่าก็เรียกว่าเป็นเจตเป็นะเป็นเจตนาก็เป็นฐานส่วนหนึ่งส่วนเจตนาอีกส่วนหนึ่งคือศีลเจตนาคือเจตนาที่เกี่ยวกับการรักษาศีลทีนี้เจตนาเนี่ยที่เกี่ยวกับการรักษาศีล น, นั้นเน่โดยเฉพาะในบุญกิริยา วัตถุนะั้นเนี่ยเป็นเจตนาที่อยู่ในกุศลจิตฉะนั้นคาว่าศีลเนี่ยจึงเป็นตัวเจตนาที่มีความกระตุ้นชักชวนกายวาจาให้ตั้งอยู่ในกิริยามัร ญ, ญาที่ดีปิดช่องที่อากุศละธรรมต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นคาว่าอากุศลธรรมต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นก็หมายความว่าปกติเวลาอากุศลธรรมมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถามว่าเกิดที่ไหน อากุศลธรรมกล่าวคืออากุศลจิตเนี่ยเวลาจะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ใจฉะนั้นอากุศลธรรมนั้นเกิดขึ้นที่ใจยกตัวอย่างเช่นความโลภความโกรธความหลงเนยมานาทิฏฐิเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นล้วนแต่เป็นอากุศลธรรมทีนี้อากุศลธรรมที่เกิดขึ้นมานั้น เ, นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว เ, เป็นเหตุอะไรให้ตามมาเป็นเหตุให้ทุจริตตามมา ก่าวคือกายทุจริตและวจีทุจริตเป็นต้นฉะนั้นเนะี่ศีลเนี่ยหรือศีลเจตนาเจตนาที่เป็นศีลเนี่ยจึงปิดช่องไม่ให้อกุสลต่างๆที่เกี่ยวกับกายทุจริตวจีทุจริตปรากฏขึ้นได้ฉะนั้นก็แสดงให้รู้ว่าศีลนั้นมีหน้าที่รักษากายวาจาไม่ให้เป็นไปในทางทุจริตอันเกิดจากการผลักดันจากอากุศลธรรมต่างๆเท่านั้น ฉะนั้นการรักษาทางใจเพื่อไม่ให้มโนทุจริตต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครก็ต้องเป็นหน้าที่ของภาวนาโดยเฉพาะแต่ถ้าหากว่าหน้าที่ของศีลเนี่ยก็เป็นตัวปิดกั้นตรงนี้แต่ถ้าหากว่าที่นี้อีกลักษณะหนึ่งะว่าธรรมชาติย่อมทรงไว้กุศลธรรมก็หมายความว่า สมาธิปัญญาวิมุตติิยานะัทสนาเป็นต้นเนี่ยโดยรอบครอบจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีศีลนั่นเองเป็นอะไรเป็นที่ตั้งฉะนั้นศีลเนะี่ยจึงเป็นคุณธรรมที่สําคัญในการที่จะรองรับอะไรรองรับสมาธิกุศลหรือว่าปัญญากุศลเป็นต้นเนะีนะ่ยถ้าหากว่าไม่มีสมาไม่มีศีลเป็นตัวรองรับแล้วเนี่ยก็ไม่มั่นคง เพราะกุศลธรรมชั้นสูงก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้ท่านอุปมาเหมือนอะไรก็เหมือนกับเวลาเราเนี่ยขึ้นไปยืนอยู่บนน้ำเนี่ยในน้ําที่ลึกๆเนี่ยเราจะทํากิจอะไรต่างๆนั้นก็ทําได้ไม่ทนะันัดไม่เหมือนกับเรายืนอยู่บนพื้นที่แข็งๆเช่นพื้นแผ่นดินเป็นต้นเนี่ยก็สามารถที่จะยืนได้อย่างธรรมัดทรรมแรงแล้วก็สามารถที่จะประกอบกิจการงานนั้นให้บรรลุ ให้สำเร็จรู้ล่วงไปได้ดีฉันใดบุคคลที่มีศีลเนี่ยหรือเจตนาในการที่จะรักศีลก็ฉันนั้นเหมือนกันให้สังเกตดูว่าในขณะที่เราคิดถึงในอดีตก็ดีคิดถึงตัวเราเองก็ดีเนี่ยเราเป็นผู้ที่มากไปด้วยอะไรมากไปด้วยกายทุจริตจีทุจริตเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเวิปฏิสารคือความเดือดร้อนใจก็เกิดขึ้น เช่นพอไปพิจารณาไปแล้วในเรื่องว่าเนี่ฏิบาตเราก็ทำมาเยอะอธินาทานาาแล้วก็เหมยมากเหลือเกินการเมีสุวิชชาจาร์ล้วก็ทำผิดมามากมูสาวาตพูดเทศจอสียดคำหยาบและเพื่อเจอแลเนี่ยก็ใช้เป็นประจำเลยเนี่ยตรึกไปทีไรแล้วอะไรเกิดขึ้นความวิตกกังวลหรือวิปฏิสารเกิดขึ้นลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าอะไรไม่ดีเขาเรียกว่าอะไรไม่ดี ศีลไม่ดีอ่าศีลไม่มีศีลไม่มีนั่นเองก็แก้วไม่มั่นคงอะไรถึงบอกไม่มั่นคงเพราะว่านึกไปแล้วเนี่ยคิดไปแล้วเนี่ยน้อมจิตไปหาแล้วก็ไม่มีคุณธรรมชั้นศีลเป็นที่รองรับที่จะทำให้สมาธิกุศลปัญญากุศลเป็นต้นเกิดขึ้นมาได้เลยนี่เป็นอย่างนี้ ฉะนั้นศีลการรักษาศีขาบทต่างๆมีปาณ า, าติบาสงดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นนี่เนะก็จะเป็นตัวอุดหนุนให้อะไรเกิดขึ้นให้สมาธิให้ปัญญามากผลนิพพานต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทั้งแต่อุปมาเหมือนกับพื้นแผ่นดินดังที่ได้กล่าวฉะนั้นกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าไม่มีศีลเป็นฐานรองรับให้ดีนี่เป็นอย่างนั้นเนี่ย เนี่ยฐานรองรับเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยได้ต้องบอกว่าสมาธิปัญญามรรคผลเหล่านี้ย่อมมาสายศีลกุศลเกิดขึ้นถ้าเว้นศีลกุศลไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้นะถ้าไปดูอีกความหมายหนึ่งที่ท่านตรัสเขาไว้ที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าวิสัชนาความสําคัญของศีลในการปฏิบัติเพื่อการพ้นจากวัฏจักทุกข์เขาไว้เนี่ยที่บอกว่า ผู้มีปัญญาที่เกิดจากกรรมหมายถึงกรรมมชะปัญญานี่เนอันประกอบไปด้วยติเหตุกาปฏิสนธินี้ตั้งอยู่ด้วยศีลกุศลที่เป็นอุปนิสัยอันเป็นพื้นฐานของสมถะและวิปัสนาเป็นผู้มีความเพียรสามารถเผา อ, อกุศลธรรมทั้งหลายให้เลาร้อนเป็นผู้มีปัญญาสามารถทำให้โมหะที่เป็นปฏิปักษ์แกต่ตนให้เหือดแห้งหายไปได้ หรือเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนให้พ้นไปจากโมหะที่เป็นปฏิปักษ์แก่ตนหรือเป็นผู้นี่มีปัญญานำอารมณ์กรรมฐานคือรูปนามให้ปรากฏชัดแก่ตนแล้วสามารถให้สมาธิและปัญญและวิปัสสนาญาณนั้นเจริญยิ่งขึ้นไปตามลาดับทีนี้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้คื อ, อยังไงผู้ที่มีปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมชปัญญาเนี่ย หมายถึงปัญญาที่ติดตามมาตั้งแต่ปฏิสนธิขณะก็แปลว่าเกิดมานั้นเป็นคนที่มีปัญญาดีวอนนมีปัญญาดีเพราะอะไรเขาเรียกวติเหตุกาปฏิสนธิในขณะที่เกิดมานั้นมีความไม่โลภมีความไม่โกรธแล้วก็มีปัญญาเกิดขึ้นในขณะเกิดบุคคลเหล่านั้นถ้าตั้งมั่นอยู่ในกุศลศีลกุศลเป็นอุปนิสัย คำว่าอุปนิสัยนั่นคืออะไรเรามักจะพูดกันบ่อยใช่ไหมคำว่าอุปนิสัยอุปนิสัยเนี่ยรักษาศีลให้เป็นอุปนิสัยเหตุปัจจัยในปัจจุบันเออในในขณะเกิดดีอยู่แล้วเพราะอะไรมีความไม่โลภมีความไม่โกรธมีปัญญาขณะเกิดถ้าหากว่าคนเรามีมีขณะเกิดที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าเหตุปัจจัยในอดีต ด, ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลอะไรจะเกิดขึ้นเขาบถ้าไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลถ้าไม่มีศีลไม่รักษาศีลเป็นอัธยาศัยเป็นอุปนิสัยแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น <_' co. S 1> เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ตั้งจิตผิดปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปเสียเนี่ยปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปคืออะไรคือแต่ละขณะผ่านไปผ่านไปเนี่ยไม่ได้สร้างอัธยาศัยอุปนิสัยเกี่ยวในเรื่องของศีล้วยเลยนเนี่นะ เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้ที่ตั้งจิตผิดจิตที่ตั้งไว้ผิดนั่นเหมือนอะไรกับอะไรเหมือนโจรโจกเจอโจรโจกหัวหน้าโจรเจอหัวหน้าโจรน่ะฆ่ากันใช่ไหมใช่โจรต่อโจรเจอกันเนี่ยก็ทําอะไรนักเลงต่อนักเลงเจอกันทะเลาะกันฆ่ากั น, กนฉันใดน้จิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยตั้งยังไงเช่นในขณะที่เราตั้งมิจฉาทิถีเข้าไว้ทุกๆขณะถามว่ามีกําลังไหม มีมีกำลังแล้วเป็นยังไงเสียหายไหมหใครเสียหา ย, ย, หายบุคคลที่ตั้งเน่ยเสียหายทําไมจึงเสียหายคิดผิดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเริ่มแรกก็คือตั้งแต่สักยะทิฏฐินี่นะเห็นว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนยึดมัน่นถือมั่นอะไรมากอัตตาสูงมากเลยหนึง่ง<ม>พอยึดมั่นอย่างนี้มากๆแลถามว่าต่อไปอะไรตามมาไปไปมาไมมิจฉาทิฏฐิไอความยึดมัน่นในความเห็นของตอนเองก็รุนแรงมากขึ้น เมื่อย้ำคิดย้ำทำย้ำความคิดเห็นก็ต้งเองอย่างนั้นมากขึ้นมากขึ้นเนะี่ยถามอะไรตามมาก็เป็นผู้ที่มากไปได้ไม่ฉาดทิฏฐิที่สุดจริงๆก็ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อโนโรกสวรรค์ไม่เชื่อคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์เห็นไหมมันมาจากอะไรมันมาจากการตั้งจิตผิดครั้งแรกก็าต้งบอกว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดนะั้นมีโทษเห็นไหมมีโทษมหาหัน ทีนี้ถ้าหากว่าจิตที่ตั้งไว้ถูกหละเป็นยังไงจิตที่ตั้งไว้ถูกแล้วจะเป็นยังไงมันก็เป็นคุณอย่างมหาหันมันกานในขณะที่เราตั้งจิตไว้ถูกคำว่าถูกในที่นั่นคือถูกยังไงตั้งจิตที่ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมาทิฏฐิคือเป็นอะไรลำดับแรกลำดับแรกก็คือว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิ เป็นผู้ที่มีปัญญารู้ในเรื่องกรรมศึกษาเรื่องกรรมและบลของกรรมมาดีเช่นรู้ว่ากระทําเช่นนี้เป็นกุศลกรรมให้ผลเป็นความสุขให้เพ็นเป็นผลเป็นความเจริญก็ประกอบกุศลกรรมใช่ไหมถ้าทําอย่างนี้เป็นอกุศลกรรมให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ไม่กระทําอกุศลกรรมลักษณะนี้เขาเรียกว่ามีกรรมมาสกตา ดีอย่างทีนมีกรรมวัฏาสัมมาทิฏฐิที่ดีเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าตั้งสัมมาทิฏฐิไว้ในใจตัวสัมมาทิฏฐินี่แหละก็จะเป็นปัจจัยทําให้สร้างอัธยาศัยอุปนิสัยไปในทางที่ชอบเม็นวิตั้งดีๆถึงนูบอกว่าถ้าตั้งมั่นอยู่ในศีลกุศลที่เป็นอุปนิสัยแล้วก็จะเป็นพื้นฐานของอะไรเป็นพื้นฐานของสมถะและวิปัสสนาเพราะอะไร ศีลที่เรารักษากันเนี่ยยอดย้อมทั้งหลายศีลห้าใช่ไหมทีนี้ศีลห้าเนี่ยศึกษากันดีขนาดไห น, นใช่ไหมไม่ใช่ว่าแค่ว่ารู้ว่าศีลห้าแต่ไม่รู้เลยในรายละเอียดในการที่จะรักษาเสียหายไหมก็เสียหายก็เป็นได้เพียงแค่รักษาศีลห้าเพียงแค่ราคาพูดเนี่ย แต่อัธยาศัยอุปนิสัยในการที่จะน้อมไปในการที่จะรักษาศีลจริงๆมีไม่มีไม่มีอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้รักษาศีลเป็นอุปนิสัยเลยแต่บางคนนี่นะก็แปลว่าหนึ่งเกิดมาที่เป็นประเภทกรรมชาปัญญาคือมีปัญญามาตั้งแต่เกิดแต่จิตก็น้อมไหเป็นผู้ที่คบสัตว์บุรุษอยู่ในประเทศที่สมควร มีโอกาสฟังภาษาธรรมแล้วก็ตั้งโยนิโสโมนสษการไว้ตลอดใช่จิตก็น้อมศรัทธาในพระตะนาฏัยถามว่าถ้าเป็นอย่างเนี้จิตก็น้อมไปในอันดับแรกก็คือน้อมไปเป็นเพื่อที่จะตั้งอยู่ในศีลจิตนั้นก็จะคิดวนเวียนอยู่กับการรักษาศีลเน่นะก็แปลว่าศรัทธาในศีลกุศลมากก็ตั้งอยู่ในศีนลกุศลถามเมื่อศีลดีแล้วเนี่ยแปลว่า พื้นฐานดีหรือยังพื้นฐานดีแล้วเมื่อพื้นฐานดีแล้วอะไรจะตามมาจิตก็ตั้งมั่นได้เร็วใช่ไหมลักษณะที่จิตตั้งมั่นได้เร็วนั้นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสมถะคือความสงบนั่นเองอะทาไมจึงสงบได้เร็วรู้ไหมพอนึกไปในตัวเองแล้วเนี่ยไม่มีทุจริตเกิดใช่ไหม นึกถึงโอ้ศีลของตัวเองบริสุทธิ์ผุดพองจริงๆไงเนีน่เอาอย่างงี้บางครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่ศีนแค่ศีลห้าเท่านั้นสูงไปกว่า น, นั้นบางคนมีอินทรียร์สังวรเนี่ยเห็นไหมตัวสังวรศีนดีเหลือเกินเนี่ยอ่ะดียังไงถึงขนาดปิดกั้นบาปประธรรมไม่ให้เกิดเลยเช่นว่าตาเห็นลูกบาปก็ไม่เกิดหูได้ยินเสียงบาปก็ไม่เกิดจมูกดมกลิน่นบาปก็ไม่เกิด เร็นสัมผัสรถบาดก็บาปก็ไม่เกิดโภทพภะกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งบาปก็ไม่เกิดใจคิดนึกเรื่องราวต่างๆบาปก็ไม่เกิดเนยสติกันได้เป็นอินเทียสังวรศีลอย่างนี้ยท่านนี้ถือว่าตั้งมั่นดีเงี้ยได้ไหมศีลอย่างนี้ก็เป็นตัวรักษาอะไรรักษาปฏิโมกได้ด้วยทําให้ปฏิโมกสังวรศีลไม่ขาดแปลว่าศีลหก็ยิง่งบริบูรณ์ดีจริง พรอมีการสำรวมระวังตลอดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยในการตั้งมั่นอยู่ในศีลฉะนั้นมีอุปนิสัยอัตยาศัยในการตั้งมั่นน้อมเข้าหาศีลบ่อยๆ อ, อย่างนี้ <c oughs> เขาแปลว่าอะไรแปลว่าบุคคลนั้นมีความเจริญแล้วพระพุทธเจ้าบอกเลยอริยทรัพย์เกิดแล้วนะศีลไงศีลเป็นอริยทรัพย์จังไศีลเป็นอริยทรัพย์แปลว่าเป็นทรั พ, พาย์พัย ในใช่ไหมปัจจุบันนี้พวกเราปรารถนากันมากที่สุดคือซัพภายนอกซับายใช่ไหมแต่ซัพภายนอกนั้นเลี้ยงตัวเลี้ยงชีวิตอยู่ในเพียงอัตภาพในภพนี้เท่านั้นแต่ซับภายในกล่าวคือศีลเป็นต้นเนี่ยเราจะไม่ยากจนในวัฏะนี้จะไม่ยากจนในวัฏะนี้นี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นการที่บอกว่า เป็นผู้มีศีลอกุศลเป็นอุปนิสัยอันเป็นพื้นฐานของสมถะและวิปัสสนาเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่มีความเพียรเพียรในอะไรเพียรในการเผาบาปอากุศลธรรมทั้งหลายให้รล่าร้อนอันนึกยังไงบาปอากุศลปัญหาคืออย่างนี้ปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิชาชานมุสาวาตปิสุนาวาจารสมภะภราปะเป็นต้นเนี่ยบาปอากุศลต่างๆที่เคยเกิดขึ้นแล้ว ถ้าเราลงมาพิจารณาดูดิว่าฆ่าสัตว์เราเคยฆ่าหรือยังรักทรัพย์เคยทําหรือยัง <c oughs> กาเมสุมิฉาจานเคยประพฤติผิดแบบนี้มาหรือยังเห็นไหมมูสาวาตหรือว่าดื่มของมึนเมาเนี่ยเห็นไหมสิ่งต่างต่าเหล่านี้ยถ้ามาพิจารณาอยู่นี้เขาเรียกบาปอกุศลที่เกิดขึ้นมาแล้ว ฉะนั้นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถามว่าแล้วบาปอย่างนั้นมีโอกาสจะย้อนเข้ามาสู่กระแสจิตเราอีกไหมเหไจิตเรายังน้อมหรือยังยังปิดปิดบาปแบบนั้นได้ถาวรไหมเหตุที่ยังปิดไม่ถาวรนั้นเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งอัธยาศัยในศีลเราไม่ดีไหมอุปนิสัยในการที่จะตั้งมั่นในศีลเราไม่ค่อยดีประการที่สองก็คือเพียรในการที่จะละบาป ไม่เคยเด็กไม่ไม่ได้ผลฉะนั้นบาปทั้งหลายทีนี้นํามาวิจารณาดูดีว่าบาปบางอย่างที่ยังไม่เข้าสู่กระแสจิตเราที่เรายังไม่เคยคิดที่จะทําเนี่ยเช่นปีตุคาศฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพายรหันใช่ไหมทําร้ายพระพุทธเจ้าทําสังฆเภทเป็นต้นเนี่ยบาปประกรรมต่างๆเหล่านี้กา่าเกอนันตรีกรรมเนี่ยเราเคยคิดอยู่ในใจแล้วไหม ในจิตของเราเคยคิดไหมว่าเออเราบางทีเราก็บาปก็อกุศลธร้ทรกล่าวคือบาปหนัหนกๆอย่างเงี้ยแล้วบอกอไม่เคยคิดเลยแล้วบางคนไม่เคยคิดจะฆ่าพอ่อฆ่าแม่เป็นต้นเลยนะแต่ถามว่าเคยคิดโกรธท่านไหมเห็นไหมเคยคิดโกรธไหมเคยคิดลาคาญท่านไหม <Okay. S 2> หรือบางทีด่าท่านแหมอะไรเนี่ยถ้าพิจารณ า, างี้หลายๆคนโอ้เคยแล้วเคยด่าพ่อดา่าแม่ดา่าพระซื่อซ้ำไ เอ๊ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ามันเฉียดแล้วเนี่ยเห็น ไ, ไหมกรรมที่หนักๆเนี่ยมันมันเฉียดแล้วก็แปลว่าเรานะพร้อมเลยเนี่ยถ้าเราไม่ละความรู้สึกเช่นนั้นก็แปลว่าเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะทำอะไรพร้อมที่จะทำอนันตเดียกรรมเขาเรียกพร้อมที่จะกระทำอนันตเดียกรรมเพราะเราไม่ได้สํารวมระวังเลยนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าคนบางคนเนี่ย ท่านมาพิจารณาอย่างนี้แล้วท่านเพียรละละอะไรละอะไรละบาปบาปตรงไหนบาปในอดีตรหรือบาปในอนาคตบาปบางอย่างที่ยังไม่เคยเกิดก็ปิดโอกาสไม่ให้บาปนั้นเกิดเสียอย่างนี้ก็เรียกความเพียรอย่างเงี้ยเพียรปิดโอกาสไม่ให้บาปเกิดขึ้นเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วบาปที่เคยเกิดขึ้นแล้วละอย่าให้มีโอกาสกลับมาเกิดใหม่ บาปอะไรที่ยังไม่เคยเกิดปิดโอกาสเขาเสียใจให้มันเกิดอย่างนี้ก็เรียกว่าเพียนละกับเพียนกันนี่เป็นอย่างนี้ประการต่อมาคือเพียนอะไรเพียนทํากุศลให้เกิดขึ้นปัญหาก็คือว่าสมาธิกุศลเนี่ยเคยเกิดขึ้นนี่อย่างใช่มสมาธิกุศลที่เกี่ยวกันในเรื่องของความเพียนก็ดีศรัทธาก็ดีสติก็ดีวิริย์เนี่ยใช่ไม สัมปชัญญากา่าคือปัญญาเป็นต้นก็ดีเนี่ยกุศลธรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเคยให้เกิดขึ้นในกระแสจิตเเราบ้างหรือ ย, ยังถ้ามาดูเป็นตัวดูที่เห็นชัดหน่อยพวกทานนากุศลศีลและกุศลภาวนากุศลอปจายานาเวยาวจาปฏิทานะปตานโมทนาธรรมเทศนาธรรมสวนาแล้วก็ทิฏฐุชุกรรม บุญต่างๆเหล่านี้เนี่ยกุศลต่างๆเหล่านี้ได้เปิดโอกาสหรือทําให้เข้าสู่กระแสจแิตเราบ้างไหมเนี่ยนะเช่นว่าบางทีเนี่ยอ่าในชีวิตประจําวันโดยมากบุคคลโดยทั่วๆไปเนี่ยคิดในการที่จะช่วยสงเคราะอนุเคราะห์เนี่ยใช่ไหมคิดในการที่จะประพฤติประโยชน์คิดในการที่จะให้ส่วนกุศลบุคคลอื่นเนี่ย คิดในการที่จะอนุโมทนายินดีกับบุคคลอื่นเนี่ยไอ้ความคิดในลักษณะอย่างนี้หรือกระทาแบบนี้เนี่ยบุญในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นบ้างไห้เนี่ยเราพิจารณาอย่างนี้เราก็เออเนี่ยใช่ไหมเขาเรียกว่าเปิดให้ให้โอกาสแก่ บ, บุญเข้าสู่กระแสจิตเราบ่อยๆเอาทําไมจึงทําต้องการบุญเข้าสู่กระแสจิตบ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อจะสร้างอัธยาศัยไปในทางที่ดี พุทธเจ้าบอกว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้บางคนก็มีอัธยาศัยเลวบางคนก็มีอัธยาศัยดีหรือบางคนก็มีอัธยาศัยที่เลวบางคนก็มีอัธยาศัยที่ประณีตเป็นอย่างนั้นนะบางคนก็มีอัธยาศัยในท้านของความโกรธมากบางคนก็อัธยาศัยในด้านของความโลภบางคนก็ตั้งอัธยาศัยในทางด้านความหลงเลยอัธยาศัยทางด้านมานะทิฏฐิเป็นต้นเนี่ย บางคนก็มีอัธยาศัยน้อมไปทั้งศรัทธาน้อมไปในทางท้านสติน้อมไปทางด้านปัญญาน้มไปหาทานกุศลสินกุศลเป็นต้นสรุปแล้วก็คืออัธยาศัยของคนตั้งไว้ไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่เมื่อบุคคลตั้งอัธยาศัยไม่เหมือนกันหรือเขาเรียกว่าอัธยาศัยนั่นกลายเป็นอุปนิสยัยพอเป็นอุปนิสัยแล้วเป็นปัจจัยที่มีกําลังโดยสมัยมีกําลังยังไงเช่นว่า ในขณะที่เราตั้งมั่นอยู่ในศีลเนี่ยจิตเราน้อมเข้าหาศีลอยู่ตลอดเนี่ยถามว่าไปๆมาๆบุคคลนั้นก็เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยไปในทางที่ดีใช่ไหมฮะนี่เป็นอย่างนั้นเวลาคิดนี่นะเวลาจิตน้อมก็หาศีลบ่อยๆ ย, ยคุณโยมลองสังเกตดูที่ว่าจิตเราถ้าหากว่าน้อมเข้าไปหาศีลมากๆบ่อยๆเข้าแต่ต้องน้อมไปด้วยอะไรน้อมไปด้วยศรัทธาไหม ถ้าไม่มีศรัทธาน้อมไหวไหมน้อมไปแล้วไม่พอใจหลายๆายคนนะคิดของอาศีลดิงแต่คิดไปแล้วเป็นยังไงเออเราจะมมัวรักษาศีลอยู่ทําไมใช่ไหมเราจะมามัวรักษาศีลอยู่ทําไมเพราะอะไรด้วยไหมเออเรา ม, ามัวมารักษาศีลอยู่เราก็เสียเปรียบคนอื่นเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนไม่มีศีลกันดังนั้นใช่ไหมยะถามว่าเราเราจะรักษาศีนทาไมมีไหมคนคิดแบบนี้มีไหม ฉะนในลักษณะของการคิดอย่างนี้เนี่ยถามว่าเมื่อคิดครั้งหนึ่งแล้วมีกําลังไหมความคิดอย่างไรมีมากขึ้นไหมมากขึ้นเรื่อยๆจะกลายยังไงต่อไปจะเป็นยังไงก็จะทําลายศรัทธาทำให้เกลายเป็นคนเห็นผิดนะเห็นผิดที่สุดจริงๆก็กล้าทําบาปแล้วก็ที่สุดจริงๆก็น้อมไปหาศีลก็เพื่อจะทําบาปไม่ใช่น้อมเพือไปหาศีลเพื่อจะทําให้ศีลดีขึ้นที่เป็นงนี้มากมายแล้วเรยทั้งๆที่คิดเข้าหาศีล แต่ก็ตั้งจิตไว้ผิดหรือถูกผิดก็เจนจนโจรเจออจนโจรก็ห้ามหันกันไม่มีอะไรทําลายนะเสียหายนี่เป็นอยังงั้นคือฉะนั้นในกรณีที่ว่าทํากุศลให้เกิดขึ้นทีนี้กุศลบางอย่างเนี่ยมาพิจารณาดูดีว่าเอกุศลเนี่ยทานน่ยกุศลเคยทํามั้ยยังก็งงพิจารณาอย่างนี้วิธีคิดทานนี่ยกุศลเนี่ยเคยทํามาหรือยัง ศีละกุศลเราเคยทํามาหรือยังเคยรักษามาหรือยังและภาวนากุศลและอีกมากมายและเกินเคยทําหรือยังนี่และในชั้นของทานก็มีตั้งเยอะใช่ไหมยะและทานกุศ ล, ลเราทําถูกต้องหรือยังอจิตก็จะน้อมไปแหละนี่วิธีคิดในลักษณะที่บางคนนี่โอ้เราทําทานเราให้ทานนะแต่ถามว่าเข้าใจเรื่องทานแค่ไหนใช่ไหมวเวลาจะศึกษาคําสอน่ะจิตตั้งมั่นแค่ไหนไหมย ศึกษาคําสอนไปก็วูบลงวูบลงเลยเสียหายแล้วเงี inin, ้ยใช่ไหมใช่จิตน oh! ้อมก็ไปหาคําสอนทีไรโอ้มไม่ได้ช mm ่ม hmm. ชื่นเลยปีติไม่เกิดเลยศรัทธาไม่เกิดเลยพอศึกษาไปทีไรมันมืดมิดเลยก็เลยมืดแปดด้านเลยอย่างกับอะไรเข้าสิลป์เงี้ยเสียหายแล้วทั้งนั้นถาม่าเลยโดยมากเป็นอย่างนั้นไงถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจะถามว่าเอ๊ะทําไมเราจึงเป็นอย่างนี้บางทีเราบอกโอ้บอกว่า คนคนนั้นพูดไม่ดีและไม่น่าฟังมอนกันนึงเราไปโทษคนบ้างเดี๋ยวเราไม่โทษทำแล้วเราสร้างอัธยาศัยยังไงมาไอ้ตรงเนี้ยให้สังเกตรตรงนั้นทีนี้กุศลบางอย่างยังไม่เข้าสู่กระแสจิตเราเลยเช่นวิปัสสนาใช่ไหมสมถะแค่อุปจารสมาธิบางคนยังไม่เคยได้สัมผัสเลยเกิดมาในปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงอัปปนาสมาธิ ถ้าในชั้นของอัปนาสมาธิก็คือปฐมช า, ทชาตทุติยชาตเตติยชาตจตุยชาตปัญจมะชาตเนี่ยอารมณ์ชาตเนี่ยกุศลประเภทนี้เคยเกิดขึ้นสู่กระแสจิตแล้วเยอะปัญหาคือว่าแค่ชาตเนี่ยนะแค่ปฐมชาตเป็นต้นเหล่าเนี้ยเราก็ยังไม่เคยได้กุศลประเภทนี้เลยถามว่าชีวิตเราประมาทแล้วเลยแค่นี้เราบอกโอ้ยเราทําดีแล้วเนี่ยเราไม่ตกนรกแล้วเราไปดีแล้วโอ้อย่าไปคิดอย่างนั้น ประมาทมากคิดในลักษณะอย่างนั้นประมาทมากทีนี้ถ้ามาดูในเรื่องของวิปัสสนาอะวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิพิจารณาในการเห็นด้วยความเป็นรูปนา<ม>เหมือนโดยความไม่ที่ยังเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเนี่ยทีนี้ในชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ยถามว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิในเกิดขึ้นกี่ขณนะ <c oughs> ใช่ไหมถ้ามาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นนะโอ้ขุศนอีกมากมายนะักที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับเราเลยเนี่ย บางทีเราเราเจริญกุศลกันยังไงก็ไม่รู้ให้สังเกตดูทิเช่นบางทีเราบอาโอ้จะไปไหว้พระโอ้บางทีจะไปไหว้พระธาตุพระบร ม, มาสารีริกธาตุใช่ไหมถามว่าจิตเรามุ่งไปเพื่อจะไปไหว้จริงๆหรือเปล่าหรือต้องการอัศาธาข้างทางคือความสุขความเจริญข้างๆทางได้มองทิศ ท, ทางลมได้เห็นที่ตรงนั้นบ้าง ได้ไปเจอหมู่บ้านตรงนั้นได้ไปพบคนนั้นได้เห็นยอดไม้ได้เห็นแม่น้ำราคลองน่ได้เห็นป่าเขาลาเนาภัยเนี่ยเราปรารถนาสุขสบายหรือการได้ทัศนาจรตรงนั้นหรือเปล่าไปไปมาๆก็คือพระรมสารีริกธาตุเลยเป็นผลพลอยได้ถามอย่างนี้แรงไหมกุศลแรงไหมแบบนี้ฉะนั้นจิตที่จะมุ่งมั่นไปเพื่อเคารพเพื่อศรัทธาจริง อย่างสมัยก่อนอย่างคนโบราณทั้งหลายยากมากคนโบราณทั้งหลายนี่ไม่ได้เลยนะจิตของท่านเนี่ยอายกตัวอย่างเช่นพระเทระในสมัยก่อนๆอายายุคสมัยลังกาเนี่ยโอ้โหก็สรัทามากเห็นไวันวันหนึ่งแกก็จะต้องไปที่พระเจดีย์ไปสักการะไปเคารพไปบูชาพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุ ถือว่าเป็นกิจเจ้าวาดเลยเป็นวัดเป็นข้อปฏิบัติของท่านเลยเงี้ยเนี่ยแต่คนในปัจจุบันนี้ไม่เลยใช่ไหมได้มากเทศกาลแต่ก็ยังดีใช่ไห ม, ไ ม, กก ย, ไหมยังมีเทศกาลทําบุญดีกว่าสัตย์เดชะมีไหมสัตย์เดชะมีเทศกาลฟังธรรมมีไหม <c oughs> ไม่มีไม <c oughs> ไม่มีแล้วมีมดปลวกหรือว่าสัตย์เดชะานั้งหลายมีประชุมกันเมื่อฟังธรรมไม่มยเราเกิดเป็นมนุษย์กันนะพอดีแล้วเนะย แต่ว่าจิตน้อมให้ถูกอยู่เป็นสำคัญดันั้นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิหรือบุญกุศลอะไรต่างๆเหล่านี้เนะี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วใช่ไหมต้องรีบขวนขวายขวนขวายในการที่จะทําบุญนั้นเข้ามาสู่กระแสจิตเราให้ได้ยกตัวอย่างเช่นสนทนาธรรมเนี่ยใช่ไหมสนทนาธรรมอย่างเงี้ยอย่างที่คุณโยมมาเนี่งสนทนาเนี่ยอย่างนี้ เ, เรียกสนทนาธรรมตามการทีนี้ ถามว่าบุญจะเกิดหรือไม่เกิดดูตรงไหนดูตรงที่จิตคิดจะสนทนาเจตนาที่มุ่งมั่นในการที่จะสนทนาเนี่ยและในขณะนั้นจิตใจมุ่งมั่นขนาดไหนตั้งมั่นขนาดไหนถ้าเบาๆลอยๆเนี่ยอันนี้อันนี้มีปัญหาแลย้ยฉะนั้นต้องต้องมุ่งมั่นจริงๆนะจิตต้องนอบน้อมต้องมุ่งมั่นจริงๆเพราะอะไรเพราะเป็นการสนทนาปารกคําสอนของใคร พระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าปัญหาก็ต้องมาถามเอ๊ะเราเคารพพระพุทธเจ้าแค่ไหน <Okay. S 2> ใช่ไหมแตถาคตาโพที่ศัทธาเนี่ยปัญญาในการที่ศรัทธานั้นศรัทธาเชื่อเคารพพระพุทธเจ้าเนี่เวลาสนทนาธรรมเนี่ยหรือไปฟังธรรมเนี่ยก็ต้องยังไงอาจจะยกตัวอย่างเช่นนางกุชุตลาเนี่ยนางกุชุตลาเนี่ยเป็นอะไรเป็นคนใช่ใชไหม เ, เป็นคนใช้เลยใช่ไหม ทีนี้พอไปฟังธรรมถ้า ต, ตนเองพิการเลยนะนางกุชิตาลาเนี่ยเป็นยังไงหลังคอมใช่งไหมแล้วก็เป็นธาตุด้วยอยู่ต้อมาฟังธรรมอย่างพระพุทธเจ้าพอฟังธรรมแล้วเนี่ยฟังธรรมแล้วเป็นยังไงฟังธรรมแล้วได้บรรลุที่จริงถ้ถามว่าเอ๊ะทําไมเกิดเป็นคนใช้ที่จริงนางกุชิตลาเนี่ยเป็นคนใช้มาตั้งห้าร้อยชาติเพราะอะไรคะใช้พระ อใช้พายะใช้นิดหน่อยแค่นั้นเองนะมีอยู่ชาติหนึ่นะนางใช้ว่าอช่วยหยิบไอเครื่องแป้งกระเป๋าเครื่องแป้งอ่ะแต่งหน้าให้หน่อยเนี่ยใช้แค่นั้น น, ะนี่ยโอ้โหทรมานมาห้าร้อยขึ้นภายะท่านรู้พระเนี่ยท่านทราบฆราวาสเนี่ยไปใช้ผู้มีศีลใช่ไม่ม <Okay. S 1> การใช้ผู้มีศีลเนี่ยแต่นี้ถ้าไม่ทําให้นางจะโกรธ พานางเป็นคนดีถือเนื้อถือตัวแต่ถ้าโกรธตกนรกแต่ถ้าทําให้เนะี่ยนางเป็นคนชายานึกถึกงเนยจะเป็นคนชายก็อยา่างดีแต่อย่างนั้นเล่นไปห้าร้อยชาติหน้าการุณานะคนทุกวันที่ไม่เคยรู้กรรมเนี่นะไม่เคยรู้กรรมเนี่ยลองไปพิจารณาดูถึไม่ได้ศึกษาเรื่องกรรมไม่ดีเดี๋ยว ไ, ไปมาเสียหายมาบางคนโกรธพระใช่ไหมลองนึกเอาก็เองกันแล้วกันชีวิตจะเจ็บปวดเยอะ คือจริงๆนะถามว่าโกรธเนี่ยได้ไหมที่ปัญหาไปโกรธท่านมูผู้มีศีลมากกว้ า, างเนี่ยใช่ไหมนี่เป็นอย่างนั้นเล่นกับของร้อนนี่ก็เล่นลําบากก็ต้องพิจารณากันให้ดีก็แล้วกันทีนี้พอรู้ว่าเป็นนางกลับมาว่าได้อัมาตะธรรมโอได้แค่นั้นเนะี่โอ้หญิงเหล่านั้นเนี่ยแม้แต่เจ้านายบอกว่า พร้อมได้วรวาทถึงห้าร้อยบอกว่าโอ้โหขอให้แสดงมาแต่ทําให้ทราบด้วยไหมให้อาบน้ําอาบน้ําหอมอย่างดีแล้วก็แต่งตัวอย่างดีแล้วใครนั่งอาสนะที่เลิศกว่าตนเองก็น้อมจิตที่ฟังทำหเห็นไหมเห็นไหมวิริการสนทนาธรรมเขาก็พร้อมจริงๆนะจิตใจเขาน้อมในการที่จะจะสนทนาจริงๆเลยนี่ให้สังเกต ด, ดูนะว่าทั้งๆที่ก็เป็นครวาา ด, ด้วยกัน แต่เขยกคนหนึ่งอยู่ในฐานะพ่อรู้ว่าจะบอกอมะตะทำให้บอกคําสอนของพระเจ้าอันประเสริฐให้บุคคลเหล่านั้นตื่นตาตื่นใจและตั้งใจฟั ง, งลเลยเนาะแล้วพอฟังเนี่ยนางก็บอกอย่างที่ฟังอย่างพระบรมศาสดาพระ บ, บอกไปเสีห้าร้อยคนได้บรรลุนี่เขาเรียกว่าผลจากการน้อมน้อมการฟังธรรมในปัจจุบันให้สังเกตดเูเวลาเราฟังเเนะียเดินไปฟังไปใช่สังเกต ด, ดูที บางทีก็พูดไปด้วยนะในขณะที่ฟังเทปเนี่ยเราอยากพูดอะไรแล้วก็คุยกันไปเทปเปิดธรรมะล้วก็เปิดไปงั้นเนะี่ยเคยเห็นใช่ไหมแบบเนี้เคยเห็นแต่ไม่เคยทำนะเคยเห็นคนอื่นเขาแต่ไม่เคยทำเหมือนกั น, นเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านอบนอบ้อมให้สังเกตดูนะว่าผลที่เกิดขึ้นจากการฟังน้ำมากเลยน้อยเนี่ยอยู่ที่การนอบนอบ้อมคนที่นอบน้อมมากสาระท่านก็ได้เยอะ เพราะว่าจิตน้อมที่จะฟังจริงๆความตั้งมั่นสูงจริงๆใช่ไหมเขาเรียกว่าพร้อมอะอย่างพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็สงบหัวบอกเลื่ออะไรเงี้ยไม่มีอะไรดีขึ้นมากไปกว่านั้นเลยแล้วก็หลับตองอย่างนี้ไม่มีอะไรแต่นั่นก็ลาบากนี่เขาเรียกว่ากุศลใช่ไหมทีนี้กุศลบางอย่างเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าวิปัสสนา วิปัสนาปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นไม่แท่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวปีเป็นดังลูกสอนเป็นหลุมฐานเพลิงเป็นต้นเนี่ยพิจารณาบอกเหมื่พบนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆขันทุกขันเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆว่าเงินเนี่ยทำไมท่านพิจารณานั้นบอกเล่าร้อนมากเป็นโทษมากเนี่ถึงกับพิจารณาของท่านไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นไปในส่วนของวิปัสนาหรือสูงไปกว่านั้นก็คือมัคคะปัญญาอริยมรร อริยพจ์เป็นต้นนิพพานเป็นต้วเนื้น่กุศลเหล่านั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นกับในกระแสจิตรเราเลยตราบใดเราก็อย่าไปประมาทตราบ น, ะนั้นก็หมายถึงว่าตราบใดโสดาปิมรักเป็นต้นยังไม่เข้าสู่กระแสจิตนิ่งนอนใจได้ไหมไม่ได้เลยเรายังปิดอบายภูมิไม่ได้โอกาสที่จะลงอบายทุกขติวิบัตินรกสูงมากอะไเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็ไม่นิ่งนอนใจ ฉะนั้นในฐานะที่พวกเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเนี่ยพอศึกษาในเรื่องศีลก็ต้องอบรมศีลให้ดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศีลห้าศีลแปดนะไหมบางคนรักษาศีลห้าแล้วเนี่ยบอกเออต้องการที่จะปลูกศรัทธาความตั้งมั่นในศีลให้มากไปกว่า น, นั้นก็รักษาศีลแปด ตั้งมั่นในศีลแปดเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่สมถะและวิปั ส, สนาและเป็นปัจจัยแก่มากผลเป็นต้นสืบต่อไปเอาวันนี้ขอขอจบเพียงเท่านี้นะท่านผู้ฟังที่เคารพคะที่ได้สดับตรัพฟังจบไปแล้วนั้นจากท่านพระอาจารย์ปรัชสมทบปรักะโมวัดกลางบางประมาสจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสําหรับวันนี้ขอให้ได้ญาติธรรมทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะ Oh. Hmm.